จเจริญพรท่านผูม้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกท่กทกทานวันนี้เป็นวันสุขที่14เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงการานต์ทำให้ญาติโย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างความสุขให้กับจิตใจที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักกันส่วนที่เรารู้จักกัน ก็คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจนี้เราไม่ค่อยรู้รกันเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจนี้เป็นเหมือนกับมนุษย์ล่องหนถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่จิตใจนี้อยู่กับเรามาตลอด เป็นผู้ที่ได้รับความสุขได้รับความทุกข์จากการกระทำอะไรของเราต่างๆถ้าเราไม่มีพระศาสนามาสอนมาบอกเราพวกเราก็จะหลงไปกับการหาความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวซึ่งหาได้น่าน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถให้ความสุขกับใจของเราได้เราต้องมาให้ความสุขกับใจของเราด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฝังเทศฝังธรรมเพราะนี่เป็นวิธีที่จะเสริมจะสร้างความสุขให้กับใจ ใจกับร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนภาชนะที่จะรองรับความสุขเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้จะมีที่เติมพลังงานสองส่วนคือมีถังน้ามันและมีถังแก๊สเวลาน้ามันหมดเราก็ใช้แก๊สได้มีสองส่วนชีวิตของเราก็มีสองส่วน มีร่างกายและมีจิตใจเราก็สามารถเติมความสุขได้สองที่เติมที่ร่างกายก็ได้ที่หนึ่งเติมที่จิตใจก็ได้อีกที่หนึ่งที่รองรับความสุขทั้งสองส่วนนี้ส่วนของร่างกายนี้มีขนาดเล็กน้อยไม่ใหญ่มากไม่เหมือนกับภาชนะ ที่จะรองรับความสุขคือใจนี้ใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตุ่มน้ำแต่ใจนี้ก็เป็นเหมือนสระน้ำสระน้ำนีย่อมสามารถรับน้ำได้มากกว่าตุ่มน้ำร่างกายของเราพวกเราก็เติมความสุขกันอย่างเต็มที่อยู่ทุกวัน ความสุขของร่างกายนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่หงห่มไว้สวมใส่มียารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บและมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภั ย, ภยต่างๆถ้าพวกเรามีปัจจัยสี่ คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคก็ถือว่าเราได้เติมความสุขให้กับร่างกายอย่างเต็มที่แล้วน้ำที่ใส่ไปในตุ่มน้ำก็ใส่จนเต็มแล้วต่อให้ใส่เข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรตุ่มน้ำก็ไม่สามารถ รับปริมาณน้ำได้มากกว่าเท่าที่ตุ่มจะรับได้ร่างกายของเราต่อให้เราหาความสุขมามากน้อยเพียงไรมันก็รับได้เพียงเท่าที่มันรับได้คืออาหารพอมันกินอิ่มแล้วมันก็จบไม่ว่าจะเป็นอาหารแพงอาหารถูกอาหารพิสดารหรืออาหารธรรมดา กินเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าที่เราสวมใส่มันจะมีราคาถูกมีราคาแพงมันก็ให้ความสุขกับร่างกายเท่ากันคือทําหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายปกปิดอวัยวะของร่างกายและป้องกันความหนาวป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อยจะใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อย หรือใส่ชุดละห้าพันหรือห้าหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันก็ให้ความสุขกับร่างกายเท่ากันเช่นเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยเราจะอยู่บ้านเช่าเดือนละสามพันหรือจะซื้อบ้านราคาละสามล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันก็ดูแลรักษาร่างกายให้สุขให้สบายได้เหมือนกัน ยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันรักษาสามสิบบาทหรือรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนเสียทีละวสามแสนมันก็รักษาได้เหมือนกันแล้วถ้ามันจะตายมันก็ตายได้เหมือนกันรักษาสามแสนที่โรงพยาบาลเอ ก, กชนก็ตายได้ถ้ามันถึงเวลาจะตายมันไม่มียาไม่มีโรงพยาบาลที่จะสามารถยับยั้งความตายได้ นี่คือเรื่องของความสุขทางร่างกายที่พวกเรากำลังหลงกันคิดว่าใช้ของแพงๆให้กับร่างกายแล้วร่างกายจะมีความสุขมากกว่าการใช้ของถูกๆวามจริงร่างกายมันมันมันมันมีความสุขเท่ากันกินอาหารมื้อละห้0พกับกินอาหารมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันได้ความสุขเหมือนกัน สายเสื้อผ้าชุดละห้0พันกับชุดละห้าร้อยมันก็เหมือนกันนี่คือความจริงที่พวกเรามักจะหลงกันทำให้เราต้องเสียเวลามากับการเติมความสุขทางร่างกายโดยที่ไม่จำเป็นเสียเงินเสียทองเสียเวลากับการมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายทั้งๆ ท, ท, ที่เราสามารถเลี้ยงดูมันได้อย่าง อย่างถูกอย่างสบายแต่เรากลับต้องมาเลี้ยงดูมันแบบยากลำบากต้องหาเสื้อผ้าเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาสวมใส่หาอาหารราคาแพงแพงมารับประทานหาบ้านราคาแพงแพงมาอยู่หาโรงพยาบาลราคาแพงแพงมารักษาสรุปแล้วก็คือร่างกายไม่ว่าจะเลี้ยงดูแบบไหน มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอย่าเสียเวลามากับเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงให้มันพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไ ม, ไม่ไม่ไร้ที่พึ่งไม่ไร้ที่อยู่อาศัยก็พอแล้วช่วเอาเงินทองเอาเวลาของเรามาเติมความสุขทางใจดีกว่า ที่เป็นเหมือนสระน้ำที่เราสามารถเติมให้มากได้ยิ่งกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายพวกเราทุกคนนี้ถือว่าได้กันเต็มร้อยกันทุกคนนะมีอาหารกินมีเสื้อผ้าสวมใส่มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะราคาะระดับไหนก็ได้ความสุขเท่ากัน ร่างกายอยู่ได้สบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีที่หลับมีที่นอนมีที่พักผ่อนมีที่อาศัย<ม>ก็ถือว่าทุกคนได้ความสุขทางร่างกายเต็มร้อยเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินร่างกายของมหาเศรษฐีร่างกายของคนธรรมดาร่างกายของคนยากจนมันก็ ได้ความสุขเท่ากันหมดทุกคนเราจึงควรเอาเวลาเอาเงินทองมาเติมความสุขทางใจกันดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี่สามารถเติมได้มากกว่าและมีปริมาณมากกว่าถ้าเปรียบเทียบความสุขทางร่างกายนี่ก็อาจจะได้หนึ่งรอยบาทแต่ความสุขทางใจนี่ เราเติมได้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยยิ่งเติมยิ่งได้ความสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าพระสาวโลกนี่ท่านชลาท่านรู้ว่าความสุขทางร่างกายนี้มันได้แค่ร้อยเดียวท่านก็เลยมาหาความสุขทางใจเคยอยู่ในวังก็สลละราชสมบัติแล้วมาอยู่แบบนัก บ, บวช นัก บ, บวชก็มีอาหารกินเหมือนกับสมัยอยู่ในวังกินอิ่มเหมือนกันกินอาหารในวัง ก, นงกนินอาหารจากบินดาบะมันก็อิ่มเหมือนกันใส่เสื้อผ้าของพระราชโอรสกับใส่เสื้อผ้าของนักบวชมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันต่างกันที่ราคาเท่านั้นเองราคาของเสื้อผ้าของนักบวชก็ฟรีเพราะผ้าที่นักบวชห่มนี้สมัยก่อนเขาไปเก็บตามปา่าช้า เอาผ้าห่อสดมาตัดมาเย็บมาซักมายอ้อมมาทำเป็นจีวร อ, อาหารก็ฟรีอาหารก็ใบบินตบาทที่อยู่อาศัยก็ฟรีอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำยารักษารโรคก็ฟรียารักษารโรคของนักบวชคืออะไรก็น้ำปัสสาวะนี่แหละเวลาไม่สบายเขาก็ดื่มน้ำปัสสาวะกัน นี่คือการเลี้ยงดูร่างกายของคนฉลาดไม่ให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเอาเวลาเอาเงินทอง ม, มาเติมความสุขทางใจดีกว่าด้วยการทำบุญพระพุทธเจ้ามีพระราชสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแบบนี้เพื่ออะไร เพื่อจะได้มีเวลามาเติมความสุขทางใจให้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านนั่นเองอการสละเงินทองนี่ก็ได้เป็นราดาะดับแสนแสนแต่ยังไม่ได้ถึงระดับล้านร้ 100, 000, อยล้านอยากจะได้เงินทองความสุขทางใจระดบ 100, 000, ับร้อยล้านนี้ต้องมาถือศีลแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมอันนี้แหละจะเป็นการ เติมความสุขเติมน้าในสระน้าและร่างกายนี้มันแค่ตุ่มน้าถ้าเรามีปัจจัยสี่ก็ถือว่าเติมมันเต็มแล้วจะมีมากมีบ้านกี่หลังมันก็มันก็เท่าเดิมมีเสื้อผ้ากี่ร้อยชุดมันก็เท่าเดิมมันไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมากขึ้นสู้เอาเงินทอง น, นี้มาทำบุญดีกว่าอย่างวันนี้ญาติโยมเอาเงินทองมาทาบุญกัน ทำแล้วจะเกิดความสุขใจเพิ่มขึ้นระหว่างการไม่ทำบุญกับการทำบุญนี้เราจะเห็นความแตกตา่าง <c oughs> ร่างกายเราเรามีความสุขทางร่างกายเท่ากันหมดแต่คนที่ทำบุญนี้จะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาเพราะมีความสุขทางใจทำบุญแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจภูมิใจนี่แหละคือบุญที่เรามาให้กับ ใจของเราคือความสุขด้วยการทำบุญแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่านี้เราก็ต้องมารักษาศีลกันรักษาศีลห้ารักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีลสยีิบยิ่งรักษาศีลได้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากเพราะเหมือนกับการเติมน้าในสระนั่นเองเติมห้าถังก็สู้เติม8ถังไม่ได้ เติม8ปดถังก็สู้เติมสิบถังไม่ได้เติมสิบถังก็สู้เติม2 2 7้ถังไม่ได้เพราะเวลาเรารักษาศีลแล้วใจเราจะไม่วุ่นวายนั่นเองใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะมีความสุขแต่เวลาเราทำบาปนี้ใจจะร้อนใจจะวุ่นวายใจจะไม่ค่อยมีความสุขจะวิตกกังวลกลัวจะถูกเขาจับไปลงโทษ กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราไปทำบาปไปทาอะไรไม่ดี mm hmm. เช่นถ้าเราไปประพฤติผิดประเวณีมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วแต่ยังแอบไปมีแฟนอีกใจนี้จะไม่สบายเพราะไม่รู้ว่าสามีหรือภรรยาเขาจะรู้หรือเปล่า mm hmm. เวลาเห็นหน้ากันก็ไม่มั่นใจไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ไปประพฤติผิดปเวณี เวลาเหหน้าสามีเห็นหน้าภรรยาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดนี่ก็คือความสุขอีกขั้นหนึ่งความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลข อ, อให้เราพยายามเติมกันแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีศีลแล้วอยากจะมีความสุขมากไปกว่านี้ก็ต้องเพิ่มศีลห้าเป็นศีลแ หยุดการหาความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเหมือนไปเติมตุ่มน้ำที่มันรั่วการที่เราหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีแฟนอยากร่วมหลับนอนกัน ความสุขเหล่านี้เติมเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็พ่องเพราะว่ามันมีรอยรั่วตุ่มน้ําที่มันรั่วนี้ต่อให้เติมน้ําเข้าไปมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็รั่วออกมาหมดความสุขที่เราได้จากการทําตามความอยากนี้เหมือนกับการเติมน้ําเข้าไปในตุ่มที่มีรอยรั่วเติมเข้าไปเต็มปั๊บเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็รั่ว ความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากก็สุขเดียวเดียวพอหลังจากหยุดจากการทำแล้วความสุขนั่นก็หายไปไปเที่ยวก็มีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขนั่นก็หายไปทำให้อยากเที่ยวอีกอยากจะเติมความสุขอีกออกไปเที่ยวอีกพอกลับมาบ้านก็เหมือนกันอีก อยากซื้อเสื้อผ้าอยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อรองเท้าก็เหมือนกันพอลายซื้อได้มาปั๊บ ก, ก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยววันสองวันไปเห็นกระเป๋าใบใหม่เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกความสุขที่ได้จากเสื้อผ้าชุดเก่าก็หายไปต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ถึงจะได้ความสุขอีกนี่คือการหาความสุขที่เราควรจะหยุดกัน เพราะว่ามันจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอและมันจะทําให้เราต้องดิ้นรนเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วเราอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอยู่เฉยๆแล้จะรู้สึกหงุดหงิดลําคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาเวลาอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกนี้ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวนี่จะต้องอยู่บ้านจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าวเวยนี่แหละ แต่ถ้าเรามาหยุดกันได้ต่อไปความอยากจะออกไปเที่ยวมันก็จะหายไปทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่อย่างมีความสุขได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเพิ่มความสุขทางใจเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีล8